ขความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หมงป b r o a d c ากำลังนำเสนอเรื่องสมาสังกปะคือความดำริชอบในข้อที่สองคืออัปยาปาดสังกปะดำบริในการไม่บิดเบียนดำบริในการไม่พยาบาทนั่นก็หมายความว่ามีเมตตาจิตต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เรื่องเมตตาเป็นเรื่องคอนข้างใหญ่เพราะว่ามันทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่อ่อนไหวไปด้วยความรักและความชังลักษณะของเมตตาทหากว่าเกิดขึ้นได้จริงมันจะทำหน้าที่ขจัดทั้งกิเลสประเภทรักและประเภทชังออกไป วันเมื่อเรากล่าวโดยสภาวะของจิตท่านบอกว่าเมตานั้นมีความเป็นไปในอาการเกื้อกูลเป็นลักษณะคือจะพูดจะทําหรือแม้แต่จะคิดอะไรก็าตามมุ่งผลประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและอํานวยความสุขให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรตลอดทึงเราจะคิดอะไร ทำพูดคิดไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะรับประโยชน์อะไรหรือรับประโยชน์ได้โดยวิธีใดก็ทำก็พูดก็คิดออกไปในลักษณะอย่างนั้นเพราะเมื่อทำพูดออกไปในแนวนั้นก็มีผลประโยชน์เกิดขึ้นตามสมควรแก่การกระทําหรือการพูดหรืแม้แต่ความคิดเต่ลืมว่าตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรม ถึงการควบคุมความคิดจิตใจของเราเองโดยการปฏิบัติธรรมวันภายในใจมันก็ขจัดอาคาตวัตถุออกไปทั้งเก้าประการคือไม่มีความคิดว่าคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราเคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือเคยทำไปเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราหรือว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรา กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหมายไปปักใจตั้งใจหรือฝังใจเอาว่าต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือว่าต่อไปคนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเพราะว่าใจที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยมันไม่คิดอย่างนั้น มีแต่ความมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นคือมองคนอื่นในแง่ดีแล้วถ้าดูสภาพจิตรือแม้แต่ว่าเรากับคนอื่นนะใล้ากลกับบ้านครอบครัวสํานักงานองค์กรอะไรต่อไรต่างๆที่เราอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมกันด้วยความเป็ น, นมิตรมีเมตตาจิตต่ อ, อ ก, กันมันก็อยู่ร่วมกันด้วยความสมุนกข ยินยันแจ่มใสเบิกบานเข้าหากันแล้วก็แต่ละฝ่ายก็มองกันด้วยความรักความเมตตาความเห็นใจความให้อาภายัยอด ท, ทนรอคอยนะเช่นชื่นเบิกบานด้วยกันเพราะในการการมองอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวกระตุน้นกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกการทำการพูดการคิดด้วยเมตตาจิต ปัญหาหากว่าเราสังเกตถึงธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดงในรูปของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในกันในเชิชงสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีการเน้นเมตตาเอาไว้จึงก็หมายความว่าเผื่อเช่นว่าพ่อแม่ลูกในความพ่อแม่นั้นมองลูกด้วยความเมตตากรุณา คือการกระทำอะไรก็ตามของพ่อแม่เนี่ยตัวลูกคนตัวนั้นจะทำด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีเจ่นว่าห้ามปลามลูกไม่ทําทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีศึกษาศิลปะวิทยาตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นฟ้าและมอบทรัพย์สมบัติให้แต่ละอย่างนั้นพ่อแม่ไม่ได้อะไรคือได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ แต่คนในรับประโยชน์นั้นก็คือลกูกหรือว่าคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมา ก, ก่อนและจุดที่จะเชื่อมโยงใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกันเชนว่าพระกับชาวบ้านเนี่ยตัวเนว่าก็สอนให้ทาหน้าที่ต่อกันด้วยความเป็นมิตรไมตรี พระนั้นจะหนักไปทางกรุณาต่อญาติโยมแล้วก็สงข้อ็ด้วยสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ครอบครองเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านเนี่ยถ้าลองสังเกต ด, ดูให้ดีเกิดจะพูดเืิดแสดงออกซึ่งเมตตาทางกายกรรมวัจิกรรมมโนกรรม คือทำอะไรที่เกี่ยวกับพระก็ทําด้วยเมตตาพูดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็พูดด้วยเมตตาคิดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็คิดด้วยเมตตาแล้วพิสูจน์ได้ยังไงว่าเรามีเมตตาจริงเขาพิสูจน์ได้สองช่วงนะคือตอนพบกันการพบกันนี่ก็อย่างหนึ่งก็คือท่านมาสู่บ้านของตนหรือว่าเราไปหาท่านที่วัดก็จะมีสองอย่างเนี่ยพบกันเนี่ยในกรณีที่ท่านมาสู่บ้านของตนก็ยินดีต้อนรับ ด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและบางครั้งบางคราวก็คิดถึงก็นำจจาจตุปใจทายาธรรมต่างๆไปต้นไปถวายหรือไม่ถวายก็แล้วแต่แหละก็ไปด้วยความคิดถึงก็แสดงว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อการเชิงสร้างสรรค์ก็ออกมาแนวบวกที่นี้พระสอ น, สอนเองก็สอนให้ ทำหน้าที่แบบเดียวกับที่พ่อแม่ทําหน้าที่ต่อลกูกคือห้ามปรามใม่ทาความช่วยประพปฏิบัติความดีสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ําใจที่งงดงามไม่ต้องการหวังผลตอบแทนอะไรจากญาติโยมที่เราสงเคราะห์แต่ภารกิจก็คือเห็นเขารอดพ้นจากความทุกข์บรรเทาความทุกข์ลงไปได้นั่นก็คือความสุขคแล้ววันก่อนมี บนตำรวจเอกสล่างบุญนาคจันมานิมนต์ให้เป็นกรรมการด้านจริยธรรมเพื่อบำบัดและป้องกันโรคเหตุแก่ประชาชนแล้วก็มีแพทย์อะไรมาด้วยแล้วปรากฏว่าเป็นงานที่ท่านดำเนินการมานานพอสมควร แล้วพอดีก็ตกกลางคืนก็ได้ข่าวตัวรัน์ต่อกันสองคืนคือความรู้สึกไม่คิดตัวนี้ที่จริงเราก็รู้สึกสงสารคนเหล่านั้นก็ปรารถนาที่จะป้องกันเขามากกว่าที่จะบำบัดเพราะเบร์เราทำงานเป็นกิจลักษณะก็จริงๆเนี่ยมาเองก็คงมองในแนวป้องกัน เพราะว่าโรคเอดส์เนี่ยไปรักษามันก็สวักสบอยไม่นานเรวก็สิ้นเปลืองเงินทองมาสารมากทำยังไงจรึงจะป้องกันพอแต่เรารับผิดชอบด้านจริยธรรมเราก็พูดในแนวป้องกันนั่นก็คืออะไรก็คือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้จักอะไรเขา เราเห็นก็รอดพ้นจากภัยจากอันตรายจากโรคเอล้วก็ภูมิใจแลวเราก็เป็นสุขใจแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนในสงราข้อชาวบ้านในน้ำใจทึงงงดงามเขาไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเราสงเคราะห์แต่เรารู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราก็จบตรงนั้นแล้วก็ทำยังไงล่ะก็จะเน้นไปในแนวของธรรมปฏิบัติ เ, เพราะราะว่าโรคเอดสเนี่ยว่าการตังความเปจริงเป็นโรคที่จะถือว่าเล็กน้อยมันก็เล็กน้อยอ น, นะฮะแต่ถ้าคนอยู่ยังมีเหตุผลอยังรู้อานาจแก่อารมณ์ใคร่ทางเพศมากเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนักหนาเพราะว่าเป็นโรคที่มาเร็วแล้วก็รู้ที่ไปที่มาไดเร็วมาคือประมาณเจ็ดปีไม่รู้ได้ตลอดแต่ที่ป้องกันไม่ได้ก็คือว่า ความสำสซรอนทางเพศก็มากมากในด้านกาวมคุณความรู้อำนาจแกอารมณ์ของบุคคลเนี่ยมันมากเกินไปคือถ้าหากว่าคนรักษาสีหนห้าได้เช่นว่าหนุ่มสาวจะแต่งงานกันก็ตรวจโรคซะก่อนแล้วก็เมื่อไม่มีโรคก็อยู่ร่วมกันพวเดียวเมียเดียวไม่จะมีอะไร มันจะติดมาจากไหนเพราะนั้นถ้าคนรักษาศีลห้าได้เนี่ยนะฮะอย่าสำสอนในทางเพศอย่าหมกมุ่นในเรื่องเพศจนเกินไปควบคุมตัวเองไม่ให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาได้มันก็ป้องกันได้การไปบำบัดเนี่ยมันก็ทุรักทุกเลนะะแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง แล้วก็ไม่ค่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องมองในแนวนี้ไว้ให้มากเป็นวิธีการที่ชิดแบบฝรั่งนะฮะปนกับไทยเป็นการผสมผสานก็ว่าไทยวัคซีนการชีดในแนววัคซีน เราก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครัเอาเอกสารมากองไว้ให้หลายเล่มก็ต้องศึกษารายละเอียดดูก่อนก็เรื่องเหล่านี้ที่จริงก็น่าจะช่วยเหลือกันตอนนั้นมันเป็นกรุณาไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่เมตตาเขาเนี่ยเราการุณาไม่ได้เพียงแต่ว่าภารกิจของพระนั้นก็จะทรงสั่งสอนว่าให้เขาได้ฟังในสิ่งที่เขายังไม่เคยฟัง พยายามอธิบายสิ่งที่เขาเคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้คือชี้ทางบทรรททุกที่สุขเกษมสารให้เขาเมตตาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นหลักบางทีเขาเรียกว่าเมตตาวิหารีก็ <c oughs> มีปกติอยู่ในเมตตา ว่ากันตามหลักความจริงรเราก็ไม่เคยพบบ่อยนะไม่เคยพบบ่อยว่าแสดงครบทั้งภพมิญชีเนี่ยเพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้าเรามีเมตตาแล้วในจิตมันจะเคลื่อนไหวไปเองคือไปเหมาะควรแก่กรณีของบุคคลนั้นๆได้เองตรงไหนควรจะใช้ยังไงเพราะในกรณีของเมตตาเนี่ยเมตตามันจะทำหน้าที่กระจัดปฏิปักษ์กระทคือตรงกันข้ามกับตนได้แก่พยาบาท และในขณะเดียวกันก็ขจัดพวกกามาราคะด้วยความกำหนัดด้วยอำนาความใคร่และกำจัดพวกความรักในทางเพศนะฮะและความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครัวซึ่งก็แสดงว่าจิตใจนั้นจะต้องประณีตแล้วก็ท่านบอกว่าเหมือนกับพ่อแม่ที่ทราบว่ามีลูกมาเกิดมาถือปฏิสนธิในคันนะฮนะ เก็เป็นความรู้สึกที่บ่งดีปรารถนาดีต่อลูกซึ่งอยู่ในคันแล้วพอลูกคลอดมาแล้วนีจิตมันจะปรับเปลี่ยนเข้าไปในกระแสของภรมิหารคือถ้าหากว่าลูกมาคลอดออกมาอวัยวะสมบูรณ์นะครับพ่อแม่ก็จะเกิดมุทิตาคือเพลิดเพลินชื่ น, นชมยินดีที่ลูกมีอวัยวะครบสามหรือสองประการถ้าลูกเกิดมาไม่คยปกติพ่อแม่ก็จะเกิดกรุณา แต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันเกิดตายหรือเกิดยังไม่ทันเกิดคือแท้งไปพ่อแม่ก็ต้องตั้งหลักนะฮะคือว่าถือว่าเป็นปตามกรรมของเด็กสตทังหลายก็เป็นปตามกรรมของเขาก็ไม่ต้องไปวิตกเดือดร้อนเซลเสียจใจอะไรอาการปรเปลี่ยนของใจในลักษณะอย่างนี้มันก็มาจากฐานใจที่กรอบด้วยเมตตาและอย่าลืมว่า เมตตาเนี่ยส่งแสดงอนิสงส์เอาไว้ในชี่หนึ่งว่าเมตตาเจตวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้ น, ด, าา ด, ด, ด, นด้วยราคาโดยโทสะหรือแม้แต่โลภะนีคยโดยเมตตาเนี่ยแม้ให้เกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็จะเป็นธรรมเป็นธรรมรร ม, มีผลมีอนิสงส์มากไม่ต้องกล่าวถึงการมีเมตตาที่ต่อเนื่องถ้าเราดูให้ดีเมตตามันมีลักษณะเป็นธรรมรังสีคือมีรัศมีรอบรัว กสิดโดยโตรงก็คือความพยาบาทความโกรกิเลสประเภทโทสะนะฮะแต่กสิดในรูปแฝงคือแยกไม่ค่อยออกนั่นก็คือการมาลาคาหรือความรักเพราะอะไรเพราะอาการมันทะนุถนอมอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลด้วยกันแต่เมตตานี่ทำเพื่อเขานะฮะแต่ราคานะน่าทำเพื่อเราไอจุดต่างมันก็อยู่ตรงนั้นนะะแตดูดูไม่ค่อยออก แต่เมตตากับราคานี่ดูไม่เคยออกอ่ะคล้ายๆกับเรารักเด็กเนี่ยมันรักด้ว ย, ด, วยด้วยอะไรอ่ะรักเจอราคาด้วยเจอในเมตตามันก็ไม่แน่ไม่แน่ซึ่งมันไปสังเกตได้อตอนที่คนมันเปลี่ยนนะเช่นว่าเด็กคนเนี้ยก็เกิดเป็นโรคหน้ารังเกียจขยะขยะแขยงเนี่ย ถ้าเรารักจริงนี่จิตมันต้องเป็นกรุณาหมายความว่าเมตตาจริงในีจิตจะต้องเป็นกรุณาแต่ถ้าหากว่าเป็นกรารมราคะแล้วเนี่ยจะไม่มาพบเลยจะแสดงอาการรังเกียดไม่ยอมใส่ใจสนใจเลยมันก็กลายเป็นมาสเครื่องมือวัดน้ำใจของมนุษย์ได้ประการหนึ่งที่นี่เมตตาเนี่มัน เป็นบารมีธรรมเราอย่าลืมมาเป็นบารมีธรรมอย่างหนึ่งที่พระพสุวรรณสามโพธิสัตว์บำเพ็ญเนี่ยมีสัตว์แล้วก็บัญญัติเป็นอารมณ์นะฮะคือบัญญัติว่าสัตว์นี่เป็นอารมณ์หมายความว่าเราไปบัญญัติสัตว์ว่าน่ารักนะฮะเมตตาเกิดสงสารเขา ล้วก็ทรงแสดงเป็นธรรมมีผลเมีอนิสงฆ์มากคือจากปกติพวกอนิสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเนะฮะไม่ใช่พระโบราณอาจารย์แสดงพระเจ้าไม่เคยแสดงมากอานิสง์แถวเนี่ยแถวห้าหกเนี่ยเคยเยอะแต่ถ้าแดงเป็นสิบยี่สิบสามสิบแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าละเป็นการรวบรวมมาจากที่ต่างๆของพระ เรีโบราณอาจารย์นะตั้งแต่โน้นเนะี่ยรัคันธารัตนาจา ร, าจารมาเพาแต่ว่าเมตตาเนี่ยทรงแสดงในเมตตาในสัง ส, สูตรไวเ้เนี่ยสองสองี่นะฮะที่หนึ่งเนี่ยพบว่าสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งพบว่าทรงแสดงไว้แปดข้อข้อความเนี่ยมันก็พอๆกันหมายความแปดข้อเป็นการแสดงระดับโลกิยธรรม คือว่าบุคคลผู้นั้นเจริญเมตตาแต่ไม่ถึงกับเป็นระดับเมตตาฌานหรือว่าเมตตาพรหมหารเมตตาอภิมัญญาอะไรอย่าใด ใ, ใจประกอบด้วยเมตตาก็มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไมยความาตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติอล้ในสงฆ์นี่มันซ้ําอันในสงฆ์นนงคือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํำนะมันผลมาเหมืองกันนีะ คลาๆก็เรากินเกลือรเราเค็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยจะเจอผลมันจะซ้ำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจับไฟก็ร้อนนายก็จับก็ร้อนอีกกี่ล้านคนจับก็ร้อนนะเห็นแต่วาไฟร้อนมากร้อนน้อยความร้อนก็จะเป็นไปตามปริมาณของไฟที่เราจับเพราะนันอิสงก็ไม่ตาก็ทรงแสดงว่า หนึ่งเรานอนหลับเป็นสุขสองตื่นขึ้นมาเป็นสุขคือกระปริกเปป่าวจิตใจแช่มชื่นเแบิกบานแจบบ่มใสในขณะนอนหลับนั้นไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจท่านเรียกว่าไม่ฝันเห็นไม่ไม่ฝันลำบ ม, มกคือไม่ฝันเรื่องโสกโรกเรีวไรรายสาระทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักของพวกมนุษย์ด้วยกันในตา น, นั้นมันเป็นรังสีนะฮะเป็นธรรมะอย่าง เ ป, เป็นรัศมีที่แผลไปเรารองสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายบางองค์ในเข้าใกล้แล้วเย็นก็จะสุขะ า, ายาคือร่มเงาท่านเย็นเป็นสุขยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเพลิดเพลินบางทีก็เด็กเข้าใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใกล้ผู้ญาติญาติเราจะนั่นเด็กก็เพลินเพราะว่าเป็นธรรมรังสีของเมตตาที่เธอสัมผัสมันมีความปลอดภัยมีความสงบเย็นมีความไว้วางใจ แม้แต่สัตว์นะแม้แต่สัตว์เด่นที่มีข่าวที่ว่าพระเลีเ้ยงเสือไว้วัดพระจันทร์บัวที่บองการเนี่ยพระและไปทําได้เพราะว่าท่านมีความรักมีความเมตตาต่อสัตว์แล้วก็สัตว์บรรมามาด้วยความทุกข์ มันต้กรุณากรุณาเสร็จแล้วเมื่อบำบัดมันหายเป็นปกติแล้วมันก็เมตตามัน่งหวังไปอยู่เกื้อกูลกับมันโดยส่วนเดียวสัตว์มันก็สัมผัสได้นะะสัมผัสจิตได้กระแสของจิตที่เราแผ่ไปเนี่ยเรามอ ง, งไปคล้ายๆกับเราเดินไปใกล้สุนัขเราเดินไปจัด ตีมันเอาไม้ไผ่หลังปฏิติมันหรือว่ามองไปถือขนมไปจะให้มันเอาไผ่หลังเหมือนกันนะั่นนะความรู้สึกภายในใจเราเนี่ยจะต่างกันปฏิกิริยาที่ตอบมาจากสุนัขเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในกรณีที่เราคิดจะให้ขนมมันเนี่ยมันก็หลีกทางรับในกรณีที่เราถือไม้ตะพดไปเนี่ยมันจะมองเป็นศัตรูและเริ่มคำรามแล้วก็ไม่ วางใจแล้วก็วิ่งหนีหรืออาจจะเห่าแล้วแต่เพราะคนที่มีเมตตาจิตเนี่ยมันจะเป็นทีรักของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รัของพวกอมนุษย์นะฮะคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ออมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์พวกอสุรกายพวกอะไรต่ออะไรต่างๆใ น, นพวกเป็ดผีสางอะไรต่ออะไรเลยจะจ ะ, จะไม่ทําอันตรายจะไม่เบียดเบียน และเทวดานั้นจะให้การคุ้มครองรักษาเพราะว่าการที่เราแผ่เมตตาไปมันก็ถึงเมอ่าถึงเทวดาด้วยนะฮะเราก็มีไมตรีจิตกับท่านอย่างที่มีคนถามเรื่องพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่มันก็เป็นเป็นภูมิเทวดานะเป็นภูมิเทวดาเป็นผีบ้านผีเรือนด้านมีอย่างที่ด้านมีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราแสดงไมตรีจิตมันเหมือนกับเพื่อนบ้านใกล้เรืองเคียงเนี่ยท่านก็มีมิตรใจกับเรา มิตรจิตต่อติกรมิตรใจนะรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการมันไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรทีนี้เดยอเนี่ยบางคนเนี่ยมันคิดจนอวดดีไปคือการมองเห็นพวกเขาเรียกอธิสมานกายเหล่าเนี้ยมันด้วยญาณด้วยที่ปจักษ์สุมันไม่ใช่เรื่องตาเนื้อที่จะไปเห็นทีนี้คนที่ได้ญาณและที่ปจักษสุนี้ท้าอาธิบายไว้เราก็เชื่อตามนั้น และที่จริงตามปกติโดยจิตของเราที่มีความสงบเย็นพอสมควรเราก็สัมผัสเรื่องเหล่านี้ได้พอสมควรเหมือนกันทีนี้พวกเอาวุธทั้งหลายในเช่นหวกไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตร์กลาก็ดีคือไม่สามารถทําอันตรายได้ไม่อาจทําอันตรายได้เพราะว่ามันจะมีอันเป็นไปถอยห่หางไป นะพลาดกันระยะสั้นๆอะไรต่อเนี่ยแล้วก็จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วเพราะว่ามันไปลดเติมความต้องสังเกตตัวเองนะสังเกตจิตตัวเองแต่เช่นสมมติว่าเราเมตตาต่อคนสักคนหนึ่งเนี่ยคนคานี้อาจจะสวยอาจจะหล่อถาเราคิดเกือหน้าการมราคาไหมเราพยาบาทเขาไหม เราจะมีวงแผนสิ่งของของเราไหมเราคิดเบียดเบียนคิดให้เกิดความพิบัติแกเขาไหมเราจะเห็นว้าไม่คิดคือใจมันจะไปเองดังนั้นเขาก็สงบกิเลสได้เยอะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคะทั้งโมหะเนี่ยเมื่อท่านไปเจริญสมาธิข่าวจิตใจก็ตั้นก็ตั้งมั่นได้เร็วแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสีหน้าของท่านเนี่ยจะผ่องใส มีความปรตาเป็นประกายมีความผ่องใสแล้วก็ไม่หลงตายอันนี้ธรรมดาจิตที่ผ่องแผ้วนะฮะจะไม่หลงตายทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้แทงคุณนะพิเศษคือไม่บรรลุมรรผลก็ ต, ตายไปแล้ว บ, บางเกิดนะผมมาโลกอันนี้แสดงว่าจเจริญเมตตามาจนถึงชาน เรียกเมตตาเจตัวเมืม่อคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของพยาบาทด้วยแรงของเมตตาแต่ว่าเป็นเมตตาชา่นตายไปแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกตามสมควรว่าแก่พรหมโลกว่าท่านอยู่ในพรหมโลกชั้นไหนต้องฟังทั้งหลาแต่หลวงปู่พุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาแผงเท่นเานี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมอหงาำไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี